บทนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมพ า, านธของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงเรื่องสังโยชน์มาโดยํำดับคือเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นนั้นในกรณีที่เกิดกิเลสที่ทรงใช้คำว่าสังโยชน คือกิเลสที่ผูกมัดจิตใจของบุคคลเอาไ้เกิดขึ้นยามประสบอารมณ์ให้ทรงทรงสอนให้สวดดูตามความจริงพระในขณะนั้นมีสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดก็ให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วเพียนพยายามลดละเพียนพยายามสงบประ ง, งับเพียนพยายามดับ ไปตามกำลังความสามารถธรรมะที่เป็นอุปการะต่อการปฏิบัติอย่างสูงก็คือสติธรรมะจะแจ้งความเพียรอย่างที่เราพบอยู่เสมอเพรธาธรรมะสามข้อนี้เป็นธรรมะหลักนีงจากการเกิดของกิเลสรือเกิดของอารมณ์อันที่จริงทั้งดีและไม่ดีมันเกิดขึ้นเร็วมากมันเป็นเรื่องของนา ม, มารำ เกิดขึ้นรวดเร็วบางทีก็ดับไปเร็วบางทีก็อยู่ได้นานๆแต่เป็นการอยู่นานๆในลักษณะที่เกิดดับทยอยกันไปแบบกระแสไฟการอึกษาคงไม่ถึงกับเอาละเอียดขนาดนั้นจึงเดีในชั้นต้นสงสอนให้รู้ตามความเป็นจริงในแต่ละขณะว่ามีสังโยคได้กนินเกิดขึ้นหรือไม่ สังโยชน์สามข้อแรกที่เรียกว่าความเห็นเ่็นในตัตวถือตนความเครียบแกร่งสงสัยและการถือมั่นรือศีลวัด ร, รือข้อปฏิบัติต่างๆที่เชื่อกันประครังศักดิ์สิทธิ์มันเป็นอาการกิเลส ป, ประเภทโมหะแต่โมหะประเภทขนาดกลางๆคือไม่ถึงกับหยาบแต่ก็ไม่ถึงกับละเอียดเพราะจริงแล้วกิเลส ท, ทั้งปวงมาเกิดมาจากโมหะ จะเกิดมาจากอาวิชชาเพราะนาการที่เราไปยึดถือในแนวนั้นหรือไปเข้าใจในแนวนั้นเพียงแต่ปริมาณของปัญญาเพิ่มขึ้นก็จะเกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็ลดลงไปได้อย่างน้อยที่สุดก็ไม่โกรธ ยามที่คนอื่นเขาทาให้โกรธเพราะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในการกระทำรอดนั้นปัญญาที่จะใช้ไปนั้นอาจจะใช้ในแนวใดก็ได้เราจะเห็นว่าบางครั้งเราใช้ในแนวที่ไม่ไม่กู้ควรที่จริงแล้วเป็นแนวของมานะคือความถือตัวไม่กู้ควรที่จะไปต่อรอต่อเฉียงกับคนเหล่านั้น กติไทยเรามีคำพูดเยอะเช่นไม่เอาบิมเสนไปแลกเกลืออย่าเอาบิมเสนไปแลกเกลืออย่าทองไปรักกระเบื้องรักษณะความคิดไม่ใช่เรื่องธรรมะบริสุทธิ์ที่จริงมัเป็นมานะอยู่ในขณะเดียวกันก็เป็นปัญญาอยู่แล้วก็มองทะลุทะลวงไปถึงโทษที่จะเกิดเพราะการลดตัวลงไป ด่าตอผู้ด่าประหารต่อผู้ประหารประตุสไลต่อผู้ประตุสไลแต่ว่าความความคิดจะเป็นเหตุงดเว้นมองไปในแนวเพิ่มกิเลสอีกข้อหนึ่งคือมานะความถือตัวถ้าเราดูสำนวนแบบบ้านๆก็คือว่าเอาพิษขมพิษเอากิเลสเป็นเครื่องมือทำลายกิเลส เพราะว่ากิเลสประเภทมานะนั้นเมื่อเทียบกับกิเลสประเภทโทสะแล้วมานะก็ดีกว่าเพราะทําให้เกิดการระมัดระวังตัวถือว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พยายามปฏิบัติตดยในเหมาะสมแก่สถานะที่เราเป็นมันไม่ถึงก็ไปปฏิทุสลายใครแต่เกิดมีการหยิ่งมีการพลนงมีการเชื่อมัน่น ถึงบางครั้งภาษาไทยเ ร, เราเรียกว่ามีมานะอดทนที่จริงมานะเป็นกิเลสแต่ก็ถือตัวว่าปีศาจมีสีที่จะต่อสู้ฝ่าความอุปสรรคอันตรายเหล่านั้นเหล่านั้นไปได้ท่าก็ใช้คำว่ามานะอดทนอดทนนั้นเป็นธรรมะแต่มานะและเป็นกิเลสเพียงแต่เป็นกิเลสที่ละเอียดรูแ้แล้วไม่ค่ยมีปัญหาอะไร แต่มีปัญหาระดับมรรคผลผนิพพานคือไม่มีปัญหาระดับล่างๆเพราะนักเที่ยว่าความโกรธความปะทุสลายแล้วเขาก็ดีกว่าเพราะเพียงแต่หน่วงเหนีวเอาไว้ไม่ให้บรรลุมรรคผลระดับสูงเท่นั้นกิเลยประเภทโลภกับโทสะที่กำลังกล่าวถึงมาโดยลำดับนั้นเป็นกิเลสที่แรงมากเพราะในชีวิตประจำวันของเราอารมณ์ชนใหญ่ก็คือรักชัง ชอบไม่ชอบยินดียินร้ายต้องการไม่ต้องการมองเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นต้นที่จริงแล้วถ้าเรามองสืบสาวไปมันเกิดมาจากความพอใจไม่พอใจหรือเกิดมาจากความรักความชังแต่ความรักชังในที่นี้เป็นการพูดถึงระดับจิตคือไม่ได้ออกไปทางกายทางวัตจามันเป็นกิเลสประเภทไม่แรง เกิดขึ้นภายในจิตแผดเผาลนอยู่ภายในจิตไม่ถึงกับพูดด้วยความโกรธหรือว่าทำอะไรไปด้วยความโกรธถ้าประเภทนั้นมันก็ผิดศีลไปแล้วไม่ใช่เรื่องธรรมะเลยนะการพูดในช่วงนี้เป็นการพูดระดับจิตเพราะผู้ปฏิบัติจะต้องตรวจสอบดูจิตว่ามีความรู้สึกเหล่านี้อยู่หรือไม่ถึงตามปกติแล้วก็จะแป่งไปได้ง่ายๆแม้แต่เรานั่งทรากลางบรรยากาศ ทังบางครั้งอาจจะร้อนไปบางครั้งอาจจะหนาวไปบางครั้งมันจะอ้าวไปเราจเห็นว่ามันก็พร้อมที่จะเกิดกิเลสทั้งชอบไม่ชอบเป็นบางคนไม่ชอบอากาศร้อนพอเจอร้อนหน่อยมันก็เกิดหงุดหงิดแล้วก็แสดงกิเลสโทสะมันก็เกิดอ่ะแต่คนบางคนก็คุ้นเคยอากาศที่แรงๆมากกว่านั้นพอเจอขนาดนั้นก็เฉยๆแล้วก็ยินดีได้ กิเลสมันก็ไม่เกิดแต่บางกนก็อาจจะเกิดความพอใจหรือความวางเฉยแต่เกิดความพอใจถ้าพอใจในธรรมะที่เรียกว่าสัพายะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าพอใจในแง่ของที่จะเพิ่มสิ่งที่ตนพอใจมากยิ่งขึ้น มุง่งไตอบสนองความต้องการที่เป็นรูปวัตถุมากยิ่งขึ้นมันก็มีปัญหาภายในใจแต่ถ้าเรามองลักษณะสืบษาศึกษาดูให้ดีั้งตั้งหลจะเห็นว่าตัวใหญ่จริงๆมันอยู่ที่เรารู้สึกว่าเป็นเราคือมีเราก็เป็นเราให้ลองนึกดูอะไรก็ได้เช่นสมมติว่ามีรถยนต์สักคันหนึ่งเขาก็จอดอยู่ในที่อู่ที่ร้านจไหน่าย แล้วเมื่อเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นแก่รถยนต์คันนั้นเราไม่เดือดเราไม่เดือดร้อนอะไรเลยเพราะอะไรเพราะตอนนั้นใจเรายังไม่เอื้อมไม่เอื้อมไปเกี่ยวข้องกับรถยนต์คันนั้นแต่ถ้าใจเริ่มเอื้อมแม้มือยังไม่เอื้อมยังไม่ตกลงซื้อซื้อหาอะไรกันก็ตากแต่ใจมันเอื้อมไปแล้วอยากได้รถคันนั้น แลบดีรถคันนั้นเกิดระเบิดเปี้ยงขึ้นมาเราจะเกิดเสียใจแล้วทําไมก่อนหน้านั้นจึงไม่เสียใจทําไมตรงนี้จึงเสียใจก็ต่อว่าในตอนแรกนั้นใจยังไม่เอื้อมด้วยความอยากได้รถขัดนั้นเมื่รถขัดนั้นระเบิดไปเราก็รู้สึกเฉยเฉยเพราะมันไม่ได้เชื่อมอะไรก็บเราแต่ต่อมาในช่วงหลังที่จริงมันก็ยังไม่เป็นรถเรา่าแต่ว่าใจเราเอื้อมไปด้วยความอยากได้เป็นเจ้าของรถขัดนั้น รถเกิดระเบิดขึ้นหรือว่าคนอื่นซื้อไปเราจะเกิดเสียความเสียใจกิเลสมันจะเกิดถ้าเกิดระเบิดนั้นแกยกิเลสจะเกิดเป็นเรื่องของความเสียดายแต่ถ้าคนอื่นซื้อไปท่านผู้ปฏิบัติจะสังเกตว่าใจมันเริ่มเกิดกิเลสขึ้นมาสองตัวคือจะเสียดายในรถที่ใจเราเอื้อมอยากได้เป็นของเรา แต่จะเกิดโทสะคือเกิดโกรธในคนที่มาดักซื้อดักหน้าไปตะลงกิเลสมันเกิดสองตัวแต่ที่จะเกิดตัวเดียวแต่ทีนี้ถ้าหากว่ารถเหล่านั้นเขาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเขาหรืว่าใครมาทําอะไรมันเกิดสวยงามขึ้นเดีวเกิดความปลอใจยินดี หรือว่าเกิดชำรุษเสียหายขึ้นเราจะเกิดเสียใจเพราะวันตรงนี้จะเห็นในชัดว่าความรู้สึกของเราที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของรถรถคันนั้นมันเกิดขึ้นจากใจเราไปเอื้อมเอื้อมตั้งแต่รู้สึกอยากได้พอยิ่งได้มาแล้วก็จะไปใหญ่เลยมันจะมีทั้งโลภมีทั้งโทส ะ, ม, ททะมีทั้งโมหะที่แฝงอยู่ในเรื่องเหล่านั้น อาการที่ปรากฏจริงๆเป็นโลภะกับโมหะแต่พร้อมที่จะเกิดโทสะให้เราสังเกตว่าของที่เราซื้อมาใหม่ๆเรารักมากทนุถนอมมากใครแตะหน่อยไม่ได้บางทีคนอื่นขอดูหน่อยไม่ใช่สึกร้ออะไรเลยยังไม่ยอมให้ดูเลยแล้วเมื่อก่อนในความคิดเหล่านี้มันเกิดไห ม, ถา ม, าไ ม, าไมถามว่าไม่เราว่าไม่เกิดทำไมไม่เกิดเพราะใจเรายังไม่รู้สึกว่าเป็นของเรา คือใจไม่เอื้อมไปกำหนดว่ามันเป็นของเราความพอใจติดใจมันก็ไม่เกิดแล้วโทสะก็ยังไม่เกิดดังนั้นแนวของการปฏิบัติบางระดับที่พระเจ้าทรงพูดโดยสรุปว่ากล่าวโดยสรุปแล้วจิตยึดมั่นถือมัน่นในขันธ์ทั้งหลายนั่นเองเป็นเหตุแห่งความทุกข์อาการยึดมั่นถือมัน่นนั้นเป็นอาการของกิเลส สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นนั้นที่จริงแล้วถ้าปล่อยตรงไหนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรพอกลับมาที่รถอีกเชือหนึ่งสมมุติรถนั้นเราครอบครองถือครองจนเบื่อจนเก่าแล้วก็ทิ้งตอนเราทิ้งไปแล้วเนี่ยใจเราปล่อยวางไม่ได้เป็นของเราแล้วของเราทิ้งไปแล้วตอนนั้นใครจะมาทําอะไรเราไม่เดือดร้อนไน เราจะไม่เกิดโกรธต่อคนที่ทำไม่เกิดเสียดายต่อของที่เสียหายไปก็รถคันเดียวกันเพียงแต่ว่าใจที่เกี่ยวเกาะนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปในชั้นแรกก็ไปยึดถือว่าเป็นของเราที่ใจก็เปลี่ยนแปลงไปตามภาพเปลี่ยนแปลงของรถที่ตอนรียกว่ายินดียินได้แต่พอเราปล่อยวางปรากฏว่าไม่มีทั้งความยินดียินได้ แม่รถนั้นจะเป็นอะไรไปกระตาแล้วก็มองกลับไปที่ตอนต้นๆคือก่อนที่จะไปยึดถือก่อนใจจะข่อยคว้าว่าเป็นของเราก็ความรู้สึกเหมือนกันก่อนหน้านั้นเราก็ไม่รู้สึกยินดียินร้ายเหมือนกันก็แสดงว่าเอาควจริงแล้วใจที่มันยึดนี่เองใจที่ไปยึดถือว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราแต่ว่าการเป็นของเรากับเป็นเราเนี่ยมันสืบเนื่องมาจาก ความรู้สึกกูมีเราพมมีเราพอพอเราเป็นถิงนั้นสิ่งนี้ก็ไปยึดถือว่าเราเป็นนั้นเป็นนี้ในตรงนี้ถ้าหากว่าในแง่ของการใช้ปัญญาพิจารณาเข้ากำกับมันใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองอย่างเพราะการเป็นทั้งหลายที่จริงทั้งหมดสมมติตั้งแต่เป็นคนมาแล้วมันสมมติมาตลอดแต่ถ้าเราใช้สมมติเป็น ใช่มันเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติภาระหน้าที่ตามที่เราถูกแต่งตั้งให้เป็นถูกกําหนดให้เป็นซึ่งก็สามารถสร้างสารรค์พัฒนาทําให้เกิดสิ่งที่ดีที่งามต่างๆขึ้นเป็นอันมากเพราะการถูกสมมติให้เป็นได้แต่งตั้งให้เป็นมันมีหมดพระอรหันต์ก็ถูกสมมติแต่งตั้งให้เป็นตําแหน่งพระ ทั้งหลายตั้งแต่ระษาริบุตรลงมาแล้วก็มีตำแหน่งทั้งนั้นมีภาระมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อ ง, งานพระศาสนากระโดดแม่เรื่องเล็ก ๆ, ๆน้อยๆพระขนาดระสาริบุตรน่ยังต้องไปดูแจท่านเล่าว่าระษาดิบุตรเวลาออกบิณฑบาตท่านจะออกหลังสุดเดินตรวจหมดทั้งวัดแลยก่อน มีอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยน้ำผ้าต่างๆจะตั้งไว้เรียบร้อยหรือไม่ขยะอะไรรกหรือเปล่าก็าไปดูแลหมดทั้งวัดก็นปอาอรหันต์แต่นั่นคือภารกิจที่จะต้องทำด้วยจิตคิดอนุเคราะห์เพราะงานทุกอย่างต้องทำด้วยปัญญาด้วยความมีสุขใจด้วยความเมตตากรุณาต่อเพื่อนบิณฑสามเณีทั้งหลาย โดยไม่ได้ยดมันหรือมั่นอะไรเพราะงั้นท่านไม่ทุกข์กับเรื่องเหล่านั้นการไม่ทุกข์ไม่ได้หมายความว่าไม่ไปทํางานอะไรแต่ว่าใจไม่ไปยึดถือเราจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ลักษณะของใจที่ยึดถือให้ลองสังเกต ด, ดูความคิดที่เราพูดภาษาการเมืองว่าประเด็จการ ใจที่เกิดกิเลสนั้นคือใจที่ปฏดเดการนั่นเองต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะเป็นอย่างอื่นโกรธต้องเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการจะให้เป็นถ้าไม่เป็นอย่างที่เราต้องการจะให้เป็นเราจะโกรธจะโกรธจะเกิดทุกข์ก็มีสองอย่างที่เราขอทรัพย์สมบัติของเรายะได้เสื่อมไปมันแข็งขืนสภาวะธรรมไปมาหมายแลย้วเกิด เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่จริงไม่มีอะไรที่มันมันจะดํารงคงอยู่ตลอดไปได้เราก็รู้แสนรู้นะแต่ว่าพสิ่งเหล่านั้นเราเกิดกําหนดว่าจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่แก่จะต้องไม่เจ็บจะต้องไม่ตายจะต้องไม่พลดพลาดจะต้องอยู่ร่วมกันตลอดไปทั้งหมดความคิดทั้งหมดเหล่านี้นที่จริงแล้วมันแข็งขืนขัดขืนฝ่าขืนกฎเกณฑ์เขรราทำไมสะอาดทั้งนั้น จะถามเรารู้ไหมว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปผมดเรารู้เราสวดได้ด้วยเราพูดได้เราอธิบายได้ทำอะไรแต่ทําไมไปบังคับอย่างนั้นน่ะเพราะว่าใจมันมีโมหะอยู่เบื้องหลังแสดงออกมาในรูปโลภะก็ต้องการจะให้เป็นในที่ตัวเองเป็นตัวต้องการจะให้เป็นแสดงว่าโมหะอย่างปิดบังเหตุผลตรงนี้เอาไว้อาจจะรู้แต่ว่าไม่เข้าถึงใจ แก้ไขแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจไม่ได้ดังนั้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการให้เป็นะเหตุผลสติปัญญาเนื่องจากมันมันซึมเรื่องมาจากกิเลสซึมเรื่องมาจากโมฆะหรือหรืออวิชชาถ้าเรามองไปที่อาคาตวัตถุคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความอาคาศ เราจะเห็นชัดว่ามีโมหะอยู่มากได้เกินมีความไร้เหตุผลไม่ยอมรับความจริงและพูดภาษาการเมืองคือประเด็ด ก, การมากได้เกินไม่ได้มองผิดมองถูกอะไรเลยอาคาตัววัตถุนั้นเป็นเรื่องของความคิดถึงคนที่เราไม่ชอบ แต่ไม่ได้มองที่การการะทําของคนถ้าปกติแล้วเรามองที่การกระทําคนจะดีก็เพราะการกระทําไม่ดีก็เพราะการกระทํายกจ้องก็ดูการกระทำเขาตําหนิก็ดูการกระทํำเขาแต่ว่าที่นี้ไม่ใช่มันอยู่ที่ความรู้สึกของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างที่เราไม่ต้องการให้เป็นเราจะเกิดโกรธาะ 09. ความอาฆาตพยาบาทที่เกิดขึ้นภายในใจคน ที่บางอย่างประรบเรื่องราวต่างๆในอดีตเรีนสมมติว่าเราโกรธนายกเราบอกว่านายกนี่เคยทําอันตรายต่อเราเคยทำนะฮะกี่ปีแล้วก็ไม่รู้และบางทีจากนายกที่เคยทําอันตรายต่อเราบางทีนายกไม่ได้ทําก็สืบไปที่พ่อนายกพ่อนายกไม่ได้ทําก็สืบไปที่ปู่นายก เป็นลักษณะเหมือนหมาป่า ก, กับลูกแกะที่เราเคยอ่านในนิทานนิสุปคือใจมันเป็นพานใจมีอวิชชาใจมีโมหะอยู่มากไม่มีเหตุมีผลที่จะควบคุมความคิดหาเรื่องที่จะเบียดเบียนมาทุจร้ายคนอื่นอยู่ได้ร่ำไปแล้วอาจจะสาวเลยไปถึงบรรพชนก็นาย ก, ก็ได้ในสายนี้นะครับหรือนายก อ, อาจ ทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราอันนี้ก็เหมือนการศึกษาวเลยไปถึงบรรพชนสืบสืบไปเป็นพันพันปีก็ได้เราเห็นได้ชัดว่าไม่เข้าใจไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ของกรรมไม่เข้าใจอะไรเลยเป็นความคิดที่ถูกกลุ้มรุมด้วยอํานาจของกิเลสด้วยอานาจของอาโทมือที่รยอย่างยิ่งก็คือในประเด็นที่สามที่ไป กำหนวดว่านายกทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นศัตรูเราหมายความยังไงหมายความว่าถ้าเราโกรธใครล้วคนอื่นต้องโกรธด้วยถ้าเราไม่โกรธเราโกรธคนนั้นเราจึงมองภาพของครอบครัวฝังครอบครัวพ่อแม่ทะเลาะ ก, กับเพื่อนบ้านต้องเรียกลูกมาสอนให้ทะเลาะด้วยแล้วให้ลูกนั้นโกรธคนที่ตัวเองโกรธด้วย แล้วเพื่อให้สะใจจริงๆหนำใจจริงๆก็สอนให้ทะเลาะกับลูกของเพื่อนบ้านได้ เ, เด็กไม่รู้ไอ้นยเนอะไรเล ย, เลยถูกพ่อแม่ไปเสี้ยมไปสั่งสอนให้โกรธด้วยหมายความยังไงหมายความว่าลูกทำดีอยู่แล้วนในแม่ทำดีต้องให้ทำไม่ดีเหมือนตัวเองเอาตัวเองเป็นเกณฑ์นในการตัดสินหมด ไม่สังเกตลักษณะโทสะจะเอาตัวเองนี่ให้ความสำคัญแก่ตัวเองใครขัดขืนใครฝ่าขืนใครทําให้ผิดใจไม่ได้โกรธหมดทําดีก็โกรธทาไม่ดีก็โกรธ ถ, ถึงตามปกติแล้วเนี่ยใจที่มีธรรมะเนี่ยเขาอาจจะโกรธแต่โกรธในกรณีที่ทําไม่ถูกคือไม่จะโกรธด่าไปหมด แต่นี้จะโกรธหมดทำดีก็โกรธถ้าทำดีกับคนที่เราไม่ชอบทำไม่ดีก็โกรธถ้าทำไม่ดีกับเราหรือคนที่เรารักในขณะเดียวกันถ้าทำไม่ดีเราก็ชอบถ้าไปทำกับคนที่เราไม่เราโกรธโดยลักษณะมันยุ่งๆเป็นอารมณ์คล้ายๆลมเพลิล ม, ลมพัดคืออนิยายอะไรไม่ค่อยได้ จะถือว่าดีเป็นเกณฑ์หรือชั่วเป็นเกณฑ์มันเอาไม่ได้สักอย่างนนถนาชั่วเป็นเกณฑ์ก็อยู่ที่ทําชั่วต่อเราจึงโกรธถ้าทาชั่วคนอื่นเราชอบถ้าถือว่าดีเป็นเกณฑ์มันก็ไม่เชิยเพราะถ้าทําดีกับคนอื่นคนที่เราไม่ชอบเราโกรธแต่ทาดีกับเราเราเกิดชอบนั่นคือลักษณะอารมณ์ที่ เหตุาการณของกิเลสล้วสะสมปะปนกันดูกมากก็เกิดอาการเรียกว่าพันริพันขออ์ขวางยังไงชอบกดแต่ถามเป็นเพราะอะไรมันเพราะใจไปยึดเอาหั้นก็พูดหยาบหยาบในตอนตอนัน้นแต่จริงๆนึกๆแล้วมันเพราะเรารู้สึกว่ามีเรารู้สึกว่ามีเรารู้สึกว่าเป็นเราแต่รู้สึกมีเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรามันก็ไม่มีอะไร และตัวความรู้สึกนี้จริงๆก็อยู่ที่ใจแต่นั้นคนพอตายปั๊บเข้าไปในใครทำอะไรก็ได้เพราะว่าใจที่ไปรู้สึกว่ากายเราหรือของเรามันไม่มีแล้วใครจะผักแข้งหัดขาจะทำยังไงจะจับใส่โกธใส่ลงยังไงก็ไม่ว่ากันเราจะเห็นได้ชัดว่าตัวการใหญ่มันก็อยู่ที่ใจและใจนั้นจะต้องไปกาหนดด้วยอำนาจของกิเลสปัญหาจึงเกิดขึ้น เพราะอะไรเพราะอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสธรรมะเองก็เกิดทางนี้เหมือนกันเกิดโดยการได้เห็นเกิดโดยการได้ยินเกิดโดยการสูดดมเกิดโดยการลิ้มเกิดโดยการจับจ้องเกิดโดยการเนียวนึกตึกนึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสามอย่างนจะเกิดมากเกิดโดยการเห็นการได้ยินและการเนียวนึกตึกนึกกิเลสก็เกิดโดยวิธีนี้มากธรรมะก็เกิดโดยวิธีนี้มาก ในการบรรลุมรคผลก็เกิดขึ้นโดยวิธีนี้ในการตกนรกห ม, มกไหมก็มันเริ่มเกิดขึ้นโดยวิธีนี้บางทีเขประลบในการปัจจุบันมันก็แนวเดียวกันจากตัวอย่างที่โกดังที่กล่าวแล้วเนี่ยก็ จ, จะปลุกอักขาสพยาบาทว่านายกกาลังทําอันตรายต่อเรากําลังทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเรา กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราตรงนี้ถ้าพูดถึงมองในแง่ธรรมดาธรรมดาเก็อสองข้อแรกมันก็น่าเห็นใจแต่ข้อที่สามในเมื่อนายกทาดีเพียงแต่ไปทําดีกับคนที่ตัวเองไม่ชอบมันก็เรื่องของตัวกับคนที่เราไม่ชอบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายกทําไมไปดึงนายกมากโกรธ ด, ด้วย ทั้งทั้ในในก็ททาความดีนั่นคือสิ่งที่เป็นเป็นความคิดถึ่ขาดเหตุผลเลยนั่นเป็นอาการของโมฆะที่ทําให้เกิดโทสวไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินดีชั่วอย่างนี้พระเจ้าทรงแสดงว่าคนจะเป็นคนเลวก็ไม่ใช่เพราะการกระทันคนจะเป็นคนเลวก็ไม่ใช่เพราะชาติกกุล จะเป็นคนดีก็ไม่ใช่เพราะชาติากาญจนแต่คนเราจะเป็นคนดีก็เพราะการกระทาเป็นคนเลวก็เพราะการกระทาตรงนี้คือแนวของเหตุผลพูดถูกพูดผิดก็พูดที่การกระทําของเขาแต่แนนี้ไม่ใช่มันเกิดจากการกา ร, การกำหนดจากความรู้สึกของเราแต่ถ้าเรามองเทียบแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดชัดแจงๆก็คือว่า ธรรมะเช่นเมตตาึ่งตรงกันข้ามกับโทสะธรรมะนั้นจะมองสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเราได้มีเมตตาภายในใจเราได้พูดโดยเมตตาเราได้ทำโดยเมตตาและการกระทาของเรานั้นเป็นประโยชน์เือกูลแก่คนที่เราเมตตาธรรมะจะเป็นประโยชน์แก่คนทั้งสองฝ่าย แต่เรามองกิเลสเป็นโทษะที่ว่าเนี่ยมันมันเป็นโทษแก่คนทั้งสองฝ่ายเราเองก็ถูกแปดเผาด้วยเพลิงกิเลสแล้วก็ผ่านรีผ่านขวางไม่มีเหตุมีผลดังกล่าวถ้าผลจากการกระทํานั้นไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ว่ากระทาขนาดไหนแต่ที่แน่นอนที่สุดคือเดือดร้อนแก่ตนเองเป็นเบื้องต้น อยู่ระดับความคิดคนอื่นเขาไม่ถึงเดือดร้อน แ, แต่เราก็เดือดร้อนคนเดียวในการใช้สติระลึกรูดูจิตมันจะดูให้เห็นเมื่อต้องมีแสงสว่างเข้าช่วยเพราะนั่นถ้าจัดกิเลสพวกนี้จึงต้องมีปัญญาเป็นเครื่องมือในการปินิพิจารารู้ความเหมาะความควรกวาเป็นเหตุเป็นผล เห็ยนยกตัวอย่างว่าคนเขาทำให้เราโกรธทาไมพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้โกรธหรอกปัญญาจะเกิดขึ้นพิจารณาเห็นว่าคนที่ทํำให้เราโกรธ เ, เขาทําชั่วแล้วใจเขาก็ชั่วแล้วถ้าเขาพูดออกมาก็แสดงว่าจีก็ทุจริตแล้วถ้าเขาทาออกมาก็แสดงว่ากายทุจริตแล้วก็ตรงเขาทุจริตหมดเลยตั้งกายวาจารใจแล้วถ้าเราทําตามเขา ในเมื่อเรารู้ว่าเขาชั่วเขาผิดเขาพูดผิดก็ทำผิดก็คิดผิดถ้าเราทำอย่างที่เขาพูดถ้าเราทำอย่างที่เขาทำเราพูดอย่างที่เขาพูดเราคิดอย่างที่เขาคิดก็แสดงว่าเราก็ชั่วอย่างเขาชั่วเราก็ไม่ต่างอะไรจากเขาปัญญาที่เกิดขึ้นจึงสงบจึงสงบกิเลสประเภทโทสะลงไปได้เพราะปัญญานั้นเป็นสุดยอดของธรรมะ ปัญญาจะเหมือนกระแสงสว่างมันเกิดขึ้นในที่ใดมันก็เห็นอะไรตามความเป็นจริงเห็น่าบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ทางความเป็นจริงอย่างน้อยที่สุดนี่จะคุมใจเอาไวไรรออา้ไม่ถึงก็โกรธปราบเรื่องอดีตไม่ถึงก็โกรธเรื่องคาดหมายเอาในอนาคตแนวการคาดหมายอนาคตนั้นยิ่งแล้วใหญ่คือแนวถ้าพูดภาษาการเมืองคือประเด็จการเบ็ดเสร็จมาก คาดหมายว่าต่อไปคนนี้จะเป็นอันตรายต่อเราคาดหมายว่าต่อไปคนนี้จะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคาดหมายว่าต่อไปคนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราแล้วเกิดโกรธเลยคือเรียกว่าท่านมองในกระบวนการพิจารณาเป็นพนักงานสอบสวนเป็นนายการเป็นสารหมดโดยสามสารคนเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องของเหตุผลแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของอารมณ์ ในทางพุทธศาสนาพระพุทเจ้าสอนในมองเนโทษในแง่มุมต่างๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าจะโกรธก็โกรธเฉพาะในขณะนั้นแล้วก็ดับเสียนในขณะนั้นอย่าให้เป็นพยาบาทอย่าให้เป็นอาฆาตอย่าให้เป็นจองเวรอย่าให้เป็นคาดหมายเอาว่าต่อไปจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าแต่ละอย่างนั้นจะเป็นทางเพิ่มบาปเพิ่มมุขุศลเพิ่มความรุนแรง ความจิตวิญญาณของตัวเองตกต่ำลงไปธรรมะปฏิบัติในาววตามพระวจนานั้นพระพุทธศาสานานั้นเป็นการยกระดับจิตให้เหนืออำนาจของกิเลสเหนืออำนาจของอารมณ์ไปโดยลําดับตามได้มากหรือน้อยก็าตามแต่เห็นว่าจิตมันสูงขึ้นจิตมันนย็ขึ้นจิตสงบขึ้นก็เป็นเรื่องควรแก่การปีติประพจนควรแก่การที่จะเพียรพยายามเพื่อสัมผัสผลเป็นความสงบเยน็นในทึกซึ่งขึ้นไป เต็มตามกำลับบงความสามารถที่จะปฏิบัติได้เพราะผลอันนี้เป็นผลที่สืบเนื่องเป็นบารมีธรรมเป็นความสงบเย็นที่เราได้สัมผัสในขณะนั้นๆและในการต่อไปต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป